ยังนึกดูหมิน่นผู้ที่กำลังศึกษาปฏิบัติอยู่ซึ่งสิ่งอันเป็นสาระว่าขนขวาวในสิ่งที่ไม่มีสาระเมื่อเป็นดังนี้เขาจึงไม่มีโอกาสประสบสิ่งอันเป็นสาระได้เพราะได้สมาทานมิจฉาทิฏฐิไว้เต็มที่ดูก่อนท่านผู้สแสวงหาสาระกล่าวโดยย่ออกุอกศลธรรมทั้งปวงเป็นอาสาระกุศลธรรมทั้งปวงเป็นสาระสิ่งที่ทำให้กิจใจต่าเป็นอาสาระ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 ผลออกมาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนบางคนเห็นดีเป็นชั่วจึงเว้นสิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำความดีบางคนเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วมีความเห็นถูกดํริถูกจึงทำถูกพูดถูกผลออกมาเป็นความสุขความเจริญความเย็นใจโดยในดังกล่าวมาบุคคลจึงควรปรับความเห็นและความคิดของตนให้ถูกให้ตรงก็จะดาเนินชีวิตไปในทางถูกทางตรง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 ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูรยิ่งขึ้นอันหนึ่งมิจฉาทิฏฐิทําให้สัตว์ทั้งหลายต้องตกนรกส่วนสัมมาทิฏฐิทําให้สัตว์ทั้งหลายเบื้องเกิดในสุคติโลกสวรรค์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดมาเพื่อความจิบหายวอดวายเพื่อโทษทุกแก่คนมากส่วนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดมาเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนมากเพราะทําให้คนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมของสตุบุรุษ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 เปรียบเหมือนมารดาผู้ให้เกิดโมคคลานะเหมือนนางโนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนําให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลโมคคลานะแนะนําให้ตั้งอยู่ในคุณที่สูงกว่านั้นพราะสารีบุตรนั้นพระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิ่ทางปัญญาสามารถแสดงธรรมจักให้กว้างขวางลึกซึง้งและพิสดารเช่นเดียวกับพระองค์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 เช่นครั้งหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองเทวทหะพิสุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าทูลลาจะไปปัดฉาภูมิชนบทตรัสบอกให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนทรงชมเชยว่าสารีบุตรมีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบันพชิตเมื่อพิกสุเหล่านั้นไปลาตามรับสั่ง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 และบุคคลผู้ประพฤติกุศลธรรมจะต้องอยู่เป็นทุกข์ต้องขับแคนต้องเดือดร้อนแล้วไซพระาศาสดาคงไม่ทรงสั่สอนให้ละอกุศลธรรมจเจริญกุศลธรรมแต่เพราะเหตุที่อกุศลให้ผลเป็นทุกข์กุศลให้ผลเป็นสุขพระาศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้ละอกุศลธรรมจเจริญกุศลธรรม